วันนี้เราก็ได้มาสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัชนิดต่างๆเพราะสถานที่สงบสงัดวิเวกจะเอื้อต่อการทำให้ใจของเรา ส, บสงบ ใจของเราสงบแล้วใจของเราก็จะมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความว้าวุ่นขุ่นงัวไม่มีความวิตกกังวลความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ดับความทุกข์ได้ถ้ามีความสุขถ้ามีความสงบแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีถ้ามีความสงบแล้วก็จะมีความสุขที่แท้จริงดังนั้นการอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกห่างไกล จากรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะจึงเป็นความจำเป็นต่อผู้แสวงหาความสงบความสุขทางใจเพราะถ้าอยู่ในที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะชนิดต่างๆใจก็จะไม่สงบเพราะจะถูกความอยากเสษ ในรูปเสียงกลิ่นลสผลทพะนั้นมาก่อกวนถ้ามีความอยากภายในใจแล้วความสงบก็จะถูกทำลายไปหรือถูกกีดกันไม่ให้ปรากฏขึ้นมาเพราะความสงบกับความอยากนี้เป็นคู่ต่อสู้กันถ้ามีความอยาก ความสงบก็จะหายไปถ้ามีความสงบความอยากก็จะหายไปเหมือนกับถ้ามีแสงสว่างความมืดก็จะหายไปถ้ามีความมืดความสว่างก็จะหายไปเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันพร้อมกันไม่ได้ต้องเป็นอย่างใดอย่าง ถ้ามีความอยากก็จะไม่มีความสงบถ้ามีความสงบก็จะไม่มีความอยากการที่จะไม่ให้มีความอยากก็ต้องอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่ทําให้เกิดความอยากเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโภชนภัทรบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ เรื่องราวต่างๆจะทำให้จิตใจเกิดความอยากอยากให้เรื่องราวบุคคลต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนีเน้เวลามีความอยากแล้วใจก็จะวุ่นวายใจก็จะดิน่นจะพยายามไปทำตามความอยากทำตามความอยาก เราคิดว่าถ้าได้ทำตามความอยากแล้วความวุ่นวายใจความไม่สบายใจต่างๆจะหายไปแต่ยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งกับเกิดความอยากเกิดความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรดีหรือไม่อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถทําให้ความอยากนั้นหมดไปได้พอได้อย่างนี้แล้วก็อยากจะได้อย่างอื่นต่อพอได้อย่างอื่นแล้วก็อยากจะได้อย่างนู้นต่อจะอยากไปเรื่อยๆนี่คือธรรมชาติของความอยากคือความไม่พอนี่ถ้าทําตามความอยากแล้วจะไม่พบความพอ ถ้าต้องการความพอก็ต้องหยุดความอยากต้องไม่ทำตามความอยากการจะทำให้ความอยากหายไปได้ก็ต้องทำใจให้สงบให้ได้ถ้าทำใจให้สงบได้แล้วความอยากก็จะหายไปหลังจากที่ทำใจให้สงบแล้วความอยากหายไปแล้ว ขั้นต่อไปก็คือเวลาเกิดความอยากขึ้นมาอีกก็ต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลมาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากเพื่อจะได้ไม่ทำตามความอยากให้เห็นว่าความอยากเป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนลูกระเบิดที่ไม่ควรที่จะเข้าใกล้ พถ้าเข้าใกล้แล้วก็จะเป็นอันตรายต่อตนอันนี้เป็นการทำลายความอยากอย่างถ้าวอความสงบนั้นเพียงแต่หยุดความอยากไว้ชั่วคราวแต่จะไม่ทำลายความอยากให้หมดไปได้อย่างถ้าวรน เวลาอยู่ในความสงบเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วใจรวมเข้าสู่ความสงบเป็นเอกาตารมสักนะว่ารเป็นอุบเบกขาเวลานั้นความอยากจะหายไปจะมีแต่ความสงบสุขแต่พอจิตถอนออกจากความสงบนั้นแล้วพอมาคิดปรุงแต่ง มารับรู้เรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้าต้องการที่จะรักษาความสงบให้คงอยู่ต่อไปก็จะต้องสอนใจไม่ให้ทำตามความอยากสอนได้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการรักษาความสงบรักษาความสุขของใจ แต่เป็นการทําลายความสงบทําลายความสุขของใจทําให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจเกิดความวิตกกังวลต่างๆตามมาต่อไปวิธีที่จะสอนใจให้หยุดความอยากได้ก็ต้องสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วก็ไม่ได้ทำให้อิ่มให้พอได้มาแล้วก็กลับจะมาสร้างความอยากเพิ่มขึ้นอีกพอได้อร่อยมาแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่ได้มาอยู่กับตนไปนานๆแต่ความจริงสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นไม่ได้อยู่กับตนไปนานๆ เพาะสิ่งต่างๆนั้นเขาไม่เที่ยงเขามีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดาเขาเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดเวลาไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ให้เสื่อมเมื่อให้หมดไม่ให้ดับไปสั่งไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เขาเป็นเรื่องธรรมดาของเขาที่จะมีการเปลี่ยนมีการมามีการไปเช่นเสียงลมพัดนี้ก็เป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปเวลามาถ้าเราชอบเขาให้ความเย็นความสบายก็จะเกิดความอยากให้เขาพัดไปเรื่อย แต่เขาก็ไม่อยู่ภายใต้ความอยากความคาสั่งของเราพอเดี๋ยวเขาก็หมดปัจจัยที่ทำให้เขาพัดมาเขาก็หยุดพอเขาหยุดใจก็เกิดความเสียใจเพราะไม่ได้ดังใจสิ่งที่อยากได้นั้นเสียไปเสียแล้วสูญเสียสิ่งที่ได้มาไป แต่ถ้าใจไม่ได้ไปมีความอยากกับสิ่งที่มาเวลาเขาไปก็จะไม่เกิดความเสียใจแต่อย่างใดหรือถ้ามีความไม่อยากได้สิ่งที่มาเวลามาก็จะไม่วุ่ดหวายใจไม่เดือดร้อนใจถ้าอยากไม่ให้เขามาเวลาเขามาก็จะเกิดความวุ่นหวายใจขึ้นมาเช่นเวลาน้ําท่วม ไม่อยากให้เขาท่วมแต่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาจะมาเราก็หยุดเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากให้เขามาพอเขามาเราก็จะวุ่นวายใจเพราะเรามีความอยากอยากไม่ให้เขามาถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้เขามาเขามาเราก็ไม่เดือดตอนมาก็มา พอไปเราก็ไม่เดือดร้อนไปก็ไปนี่คือการสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆถ้าหยุดความอยากได้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้จ ะ, จะเจริญเนือจะเสื่อมก็จะไม่มาทำลายความสุขความสงบที่มีอยู่ภายในใจได้สิ่งที่จะทำลายความสุขความสงบนั้น คือความอยากของใจเองสิ่งต่างๆในโลกนี้จะรุนแรงร้ายแรงขนาดไหนก็ตามจะเป็นวาตาภายัยอคีภยัยอุทกกภยัยหรือภัยสงครามต่างๆที่ถึงกับทำให้ร่างกายนี้เสียชีวิตไปหรือเจ็บไข้ได้ป่วย พ, พิการ ใัยเหล่านี้จะไม่สามารถมาทำลายความสงบสุขของใจได้ภัยที่จะทำลายความสงบสุขของใจนี้ก็คือความอยากนี่เองและเหตุที่ทำให้เกิดความอยากก็คือความหลงความหลงที่ไม่รู้อันตรายของความอยากนี้ว่าเป็นตัวทำลายความสงบสุขของใจ เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นไม่ได้ทําให้เกิดความสงบสุขแก่ใจกับทําให้เกิดความทุกข์แก่ใจเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นล้ว น, นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ย น, ปนแปลงได้เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถไปควบคุม บ, คบังคับให้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้หรือไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้จึงจาเป็นต้องคอยสอนใจให้เข้าใจถึงความจริงของสิ่งต่างๆว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขามีการเปลี่ยนแปลงเขามีการเกิดมีการดับเขาไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเรา ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะไปทำลายความสงบความสุขที่ได้จากความสงบก่อนที่เราจะสามารถสอนใจให้เห็นโทษของความอยากได้<ม>เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นไม่เที่ยงไม่อยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งของใจ ใจต้องมีความสงบก่อนใจต้องพบกับความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ความสงบสุขของใจนี้เป็นความสุขที่ใหญ่กว่าลาบยศสรรเสริญใหญ่กว่ารูกเสียงกิ่นรสปุถุพะชนิดต่างๆถ้ายังไม่ได้เห็นความสุข น, นี้ ก็จะไม่รู้ว่ามีความสุขอนี้อยู่ก็จะติดอยู่กับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าจะไม่มีอะไรมาทดแทนความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะ ถึงแม้ว่าจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนก็ยินดีที่จะทุกข์ดีกว่าที่จะทนต่อสู้กับความอยากเช่นเวลาอยากจะทําอะไรนี่ถึงแม้ว่าจะลำบากยากเย็นอย่างไรก็ขอให้ได้ทําถึงแม้ว่าจะทุกข์ขนาดไหนก็ดีกว่าไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากได้ทําเพราะว่าไม่มี ความสุขในตัวของตัวเองแต่ถ้ามีความสุขในตัวของตัวเองแล้วก็คือความสงบนี้พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะได้มีการต่อรองกันได้มีการต่อสู้กันได้เพราะรู้ว่าสู้แล้วจะรักษาสิ่งที่ดีกว่าได้ถ้าไม่สู้ ก็จะเสียสิ่งที่ดีกว่าไปและจะได้สิ่งที่เลวกว่ามาคือความสุขทางใจกับความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกมิ้นไกยนี้มีความแตกต่างกันความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ดีกว่าความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกมิ้นไกย ถ้ามีความสุขได้พบความสุขทางใจแล้วก็จะอยากจะรักษาความสุขนี้ไว้ยิ่งกว่าจะไปหาหาความสุขที่ด้อยกว่าคือความสุขทางราบยศสันสานทางลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะก็จะยอมต่อสู้กับความอยากเพื่อจะให้ความอยากนั่นหมดไปหายไป การต่อสู้กับความอยากนี่แหละเป็นความทุกข์อย่างยิ่งถ้า <c oughs> ถ้าชนะแล้วก็จะหายทุกข์ไปตลอดถ้าแพ้ความอยากก็ต้องอยู่ภายใต้ความทุกข์ของความอยากไปตลอดความอยากนี่ก็เป็นเหมือนกับ เ, เสี้ยนที่ต่าเท้าน้ำที่ต่าเท้าอยู่ถ้าไม่บ่งเสี้ยนบ่งน้ำออกจากเท้า เวลาเดินไปแล้วเหยียบก็จะเกิดอาการเจ็บปวดจะไม่มีวันหายก็จะเจ็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เวลาบ่งเส้นออกบ่งน้าออกก็จะต้องเจ็บบ้างแต่ถ้าบ่งแล้วเอาเส้นเอาน้นาออกจากเท้าไปแล้วอาการเจ็บก็จะหายไปในที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินได้อย่างสบาย ไม่เจ็บเท้าอีกต่อไปนี่ก็คือตัวอย่างความอยากนี่เป็นเหมือนเสี้ยมเหมือนน้าที่ที่ฝังอยู่ในใจของเราที่ทำให้ใจของเราทุกทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับกวลกังวานกระสับกระส่ายวิตกกังวลเดือดร้อนว้าวุ่นขุนมัวเศร้าโศกเสียใจไปกับ เหตุการณ์ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของตัณหาความอยากถ้าเราบ่งเอาตัณหาความอยากนี้ที่ทิ่มแทงหัวใจนี้ออกไปจากใจได้แล้วใจจะไม่มีความทุกข์กับอะไรต่อไปเพราะสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจนั้นได้ถูกกำจัดออกไปแล้วแต่ขณะที่ กำจัดนี่แหละเป็นเวลาที่แสนจะทุกข์แสนจะทรมานใจเราสังเกต ด, ดูเราถ้าเราอยากได้อะไรหรืออยากดื่มอะไรหรืออยากรับประทานอะไรแล้วเราบังคับอยากไปดื่มอยากไปรับประทานดูซิว่ามันทุกข์ทรมานขนาดไหนเช่นเราอดข้าวเย็นกันก่อนก็ได้พวกที่ไม่เคยอดข้าวเย็นไม่เคยรักษาศีลแปด ลองมาอดข้าวเย็นดูสักมื้อหนึ่งดูดูว่ามันทุกข์ทรมานใจขนาดไหนแต่สําหรับคนที่อดได้แล้วนี่จะไม่เดือดร้อนเลยจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาได้หยุดความอยากที่จะรับประทานอาหารรู้เย็นได้แล้วเวลาถึงเวลาเย็นก็จะไม่มีความอยากจะรับประทานอาหารแต่อย่างใด แต่ผู้ที่ยังไม่เคยหยุดความอยากยังไม่เคยอดอาหารเย็นนี้เราตกเวลาเย็นนี้ท้องมันจะร้องกรูกราดขึ้นมาใจจะหิวน้ำลายจะไหลเวลาคิดถึงอาหารชนิดต่างๆจะทุกทรมานใจนอนก็นอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ทำตามความอยาก นั่นเองแต่ถ้าลองฝืนทำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะชินความอยากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วก็หายไปแต่ยังไม่หายขาบถ้าเราอดอ่าเย็นด้วยการฝืนใจฝืนความอยากถ้าเราอยากจะให้มันหายอย่างถาวร เราต้องใช้เหตุผลสอนใจว่าไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารมือเย็นก็อยู่ได้กินแล้วก็ต้องกินไปเรื่อย เ, อยเวลาที่ไม่ได้กินก็จะทุกข์ทรมานใจถ้าเราสอนใจแบบนี้แล้วความอยากจะกินอาหารเย็นนี้ก็จะหายไปหมดไปเพราะว่ารู้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกิน แล้วแทนที่จะมีความสุขมากขึ้นกับมีความทุกข์มากขึ้นเพราะจะทําให้เกิดติดร่การกินอาหารเย็นพอเวลาไม่ได้กินเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจนแต่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีความอยากจะรับประทานเพราะเห็นว่ามันไม่จําเป็นแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดความสุขใจเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด กลับมาทําลายความสุขใจเพาะจะทําให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นอีกถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่อยากกินอาหารเย็นอีกต่อไปแต่ถ้าฝืนฝืนบังคับใจถึงเวลาอยากจะกินก็ไม่กินหรือไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอาหารเย็นให้รับประทานให้กินก็จะไม่กิน แต่พอไปอยู่ในสถานที่ที่มีการรับประทานอาหารเย็นกันพอเห็นเขารับประทานกันก็จะอดไม่ได้ก็อยากจะรับประทานอยากจะกินกับเขาไปแต่ถ้ามีปัญญาบอกว่ากินไปให้ง่อเป่ า, ปากินไปทำไมกินแล้วทำให้ต้องมาติดต้องมาทุกกับกเรื่องของกินอาหารเย็นไม่กินดีกว่าไม่กินก็อยู่ได้ไม่ตาย กินเมื่อเดียวกินหนุนเดียวนี้ก็อยู่ได้แล้วมีประโยชน์กว่าหลายอย่างด้วยกันกินน้อยโยครคภัยไข้เจ็บก็น้อยรูปร่างหน้าตาหุ่นก็ดีกว่าคนที่กินมากมากทุกวันนี้คนต้องเสียเงินเสียทองต้องทุกกับการลดน้ําหนักกันเพราะว่ากินมากเกินไปเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่รู้วิธีที่จะ ทำไม่ให้น้ำหนักเพิ่มก็คือการไม่กินกลัวว่าเวลาไม่ได้กินแล้วก็จะกลัวว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างผ อ, อมแห้งแรงน้อยอจะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่กลับคิดว่ายิ่งกินยิ่งกลับมีโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากกินอาหารนั่นเอง แต่ถ้ามาฝึกทำใจให้สงบได้ใจมีความสงบแล้วจะมีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากกินอาหารเย็นได้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรยิ่งถ้ามีปัญญาสอนใจว่ากินแล้วกลับจะเกิดความทุกข์ใจมากกว่าเกิดความสุขใจก็จะทำลายความสุขใจที่มีอยู่ ที่ได้มาจากการทำใจให้สงบนี้ให้หมดไปก็จะยอมทนทุกข์ในขณะที่มีความอยากอยู่แต่พอสอนใจว่าถ้าไม่กิดแล้วไม่ทำตามความอยากแล้วจะดีกว่าจะได้ความสงบได้ความสุขของใจกลับคืนมาพอเข้าใจอย่างนี้แล้วความอยากก็จะหยุดไปเอง พอความอยากหยุดไปแล้วความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วก็จะหายไปอย่างถาวรเพราะจะเข็ดจะกลัวกับความอยากอย่างนี้จะไม่อยากกินอาหารเย็นอีกต่อไปเพราะรู้ว่าความสุขที่ได้จากกินอาหารเย็นนี้เพียงอยู่ที่ปลายลิ้นเท่า น, นั้นเองพอกินแล้วก็อิ่มสบายไปสักพักหนึ่ง แต่พอวันลุกขึ้นก็ต้องอยากกินอีกแล้วก็ต้องอยากกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะไม่ได้ความสุขทาง จ, จิตใจต่ได้ความสุขทางร่างกายที่เป็นของชั่วกล่าวตะวันหนึ่งร่างกายก็จะต้องมีปัญหากินไม่ได้อยู่ดีร่างกายแก่ลงเก็บไข้ได้ป่วยลงไปก็จะกินอาหาร ไม่ได้มากพออยากจะกินมากมากอยากกินไม่ได้เพราะหมอห้ามไว้ท่นกินแล้วก็จะเกิดโรคภัยต่างๆตอนนั้นก็ต้องทุกทรมานใจกับการที่จะต้องคอยต่อสู้กับความอยากกินใจนึงก็อยากกินใจนึงก็กลัวโครคภัยไข้เจ็บก็มีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา นี่คือเรื่องของความอยากกับความสงบที่เป็นสิ่งที่เป็นคู่ต่อสู้กันเป็นคู่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขและให้ความทุกข์กับใจถ้ามีความสงบ ก, ก็จะมีความสุขถ้ามีความอยากก็มีความทุกข์ดังนั้นการที่มาบําเพ็ญ เพื่อมาทำให้ใจสงบนี้จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าอยากจะได้ความสุขที่ดีกว่าที่เลิศกว่าที่ถาวรความสุขใจนี้เป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดความสุขทางร่างกายก็จะอยู่กับร่างกายไป เวลาที่ไม่มีร่างกายความสุขทางร่างกายก็จะหมดไปหายไปหรือเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้ได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพิกรพิการเป็นอามาพึกเอามาผ้านี้จะมีความทุกข์มากเพราะไม่สามารถ หาความสุขผ่านทางร่างกายได้แต่คนที่มีความสุขทางจิตใจจะไม่เดือดร้อนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยกับการพิกลพิการของร่างกายแต่อย่างไดพราะยังสามารถหาความสุขทางใจได้ต่อไปมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ไม่มีปัญหาเพราะสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาดังนั้นจึงควรพยายามทำใจให้สงบกันและปัจจัยสำคัญในการทำใจให้สงบก็คือต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียง ก, ก, กลิ่นรสผลธภะต้องปลีกวิเวกอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวก อยู่ตามลำพังอยู่คนเดียวเพราะถ้าอยู่ด้วยการหลายคนก็จะไม่ควบคุมความคิดปรุงแต่งกลับจะมาเสริมความคิดปรุงแต่งเพราะจะจับเขานั่งคุยกันคุยแล้วก็คิดไปเรื่อยเปื่อยคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็ต้องไปทําตามความอยากกันคิดแล้ว ถึงเวลาตอนเย็นหิวข้าวเย็นก็อาจจะแอบไปหาข้าวเย็นกินกันอยากกินขนมก็หาขนมกินกันอยากจะดูอยากจะฟังก็จะแอบดูแอบฟังกันสมัยนี้เครื่องโทรศัพท์มือถือนี้ดูได้ฟังได้เอาเข้าวัดได้เอาเข้าป่าได้เวลาเหงาขึ้นมาอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็เปิดดูเปิดฟังได้ อย่างนี้ก็อย่าไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่วัดให้เสียเวลาเลยเพราะว่าไม่ได้ไปทำใจให้สงบไม่ได้ไปอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆนั่นเองเพราะเอาแสงสีเสียงติดไปกับกายไปด้วยพอถึงเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ปล่อยขึ้นมาดูแทนที่จะมานั่งหลับตาทำใจให้สงบ ก็มาเปิดดูเปิดฟังติดต่อกับคนนั้นติดต่อกับคนนี้คุยกันไปคุยกันอยู่สองป่าคนนอยู่ป่าเหนือคนอยู่ป่าใต้แล้วก็โทรหากันอย่างนี้ก็กายวิเวกแต่ใจไม่วิเวกคือใจยังวุ่นใจยังปรุงแต่งใจยังคิดอยู่ ดังนั้นถ้าจะไปอยู่ที่วิเวกก็อย่าเอาของพวกนี้ไปจะดีกว่าดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าไปไม่ได้เอาวงด น, นตรีไปด้วยไม่ได้เอ า, เอานางสนมกำนันติดตามไปด้วยไม่ได้เอาบริษัทธ์บริวารตามไปด้วยไปพระองค์เดียวเท่านั้นไปอยู่ตามลําพังไม่ติดต่อกับในวังอีกต่อไป ไม่รู้ไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆของในวังในวังจะเป็นอย่างไรจ ะ, จะเจริญจะเสื่อมใครจะเป็นใครจะตายไม่รับรู้ทั้งนั้นต้องการจะอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเรื่องราวต่างๆนี้ทำให้ใจไม่สงบนั่นเองทำให้ใจเกิดความอยากขึ้นมาอมพอเรื่องราวเป็นอย่างนี้ไม่ถูกใจก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นก็จะทนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ นั่งหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องกลับไปหาเรื่องราวต่างๆไปดูแลไปจัดการกับมันให้มันเป็นไปตามความอยากให้ได้นี่แหละคือปัญหาของผู้ที่สแสวงหาความสงบทางใจกันจะมีมารมาคอยลากให้กลับไปหาความวุ่นวายอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ควบคุมจิตใจ อย่างใกล้ชิดเหมือนกับผู้ควบคุมนักโทษในสถานเรือนจําถ้าปล่อยให้นักโทษเถลอไม่มีใครคุมเหลือนักโทษก็แหกคุกหนีออกมาได้ผู้ที่จะควบคุมนักโทษนี้ก็คือสติผู้ที่จะควบคุมความอยากไม่ให้แหกคุกออกมาก็คือสตินี่เองถ้าสติควบคุมใจควบคุมความคิดอยู่อย่างต่อเ น, นื่อง ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะความอยากต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือดังนั้นถ้าอยากจะควบคุมนักโทษคือความอยากนักโทษคือความคิดก็ต้องมีสติไว้ควบคุมความคิดอย่างตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ให้เผลอเลยสติคืออะไรก็มีหลายวิธีด้วยการที่ทำให้มีสติ เช่นการบริกรรมพุทธโธอันนี้ก็เป็นสติอย่างหนึ่งถ้าบริกรรมพุทธโธก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าหยุดบริกรรมพุทธโธเมื่อไหร่ก็จะไปคิดเรื่องนั้นทันทีหรือบริกรรมแบบไม่เอาใจจดจอ่ออยู่กับบริกรรมบริกรรมไปทางปากบริกรรมไปแต่ใจก็แอบไปคิดเรื่องอื่นควบคู่กันไปเช่นพุทธโธพุทธโธไปก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไป คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันถ้าทําอย่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะทําใจให้สงบได้เพราะความคิดมันยังไม่หยุดดันั้นต้องเวลาบริกรรมพุทโธต้องจดจ่ออยู่กับพุทโธอย่างเดียวต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียววิธีที่จะทําให้อยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียว ก็คือต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวหน่อยเช่นที่ไหนมีผีที่ไหนที่มีภัยเวลาใจคิดถึงผีคิดถึงเรื่องมันน่ากลัวขึ้นมาก็จะต้องคิดถึงพุโทโธล่ะเวลาจะเป็นจะตายนี้ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องอะไรล่ะก็อยากจะคิดถึงพุโทโธคิดถึงพระอย่างเดียวสวดมนต์กันแบบไม่มีวันหยุดเลยเวลาเกิดพิดเกิดภัยอันตรายขึ้นมานี้ บอกให้สวดมนนี้ไม่ต้องบอกให้มันสวดมันจะรีบสวดทันทีเพราะมันกลัวกลัวมากยิ่งกลัวมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสวดมากขึ้นไปเท่านั้นพอสวดแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายความกลัวก็จะหายไปแล้วก็จะรู้ว่าความกลัวนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรก็เกิดจากความคิดของตัวเองนั่นเองคิดถึงว่ามีผีตรงนั้นมีผีตรงนี้ คจริงมันไม่ได้เป็นผีเป็นอะไรมันเป็นเสียงเป็นลมพัดบ้างเป็นเสียงตุ๊กแกบ้างเป็นเสียงหนูวิ่งไปวิ่งมาบ้างแต่ความกลัวนี้มันจะหลอกให้คิดว่าเป็นผีอย่างที่มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งมีพระปฏิบัติเรื่ององค์หนึ่งท่านต้องการที่จะต่อสู้กับความกลัวท่านก็เลยไปนั่งในป่าช้าแต่นั่งไป ใหม่ๆแรกๆก็ไม่มีเสียงไม่มีอะไรแต่พอสักพักหนึ่งก็ได้มียินเสียงแคกแคกแคกแ ค, แคอยู่ในใกล้กับที่เขาเผาศพใจก็กลัวไม่กล้าก็พุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเสียงมันก็ไม่หายจนในที่สุดทนไม่ไหวก็เลยยอมเสียงดูไปดูซิว่ามันเป็นอะไรกันแนะ่ พอเดินเข้าไปใกล้ๆฉายไฟดูก็เห็นหมาท่านแทะกระดูกอยู่อันนี้แหละใจเราไปหลอกตัวเราเองพอได้ยินเสียงอะไรในที่ที่มันเงียบสงบมันก็จะคิดไปต่างๆนาน า, นาคิดว่าเป็นไผ่ทั้งนั้นคนที่กลัวงูก็จะคิดว่าเป็นงูคนที่กลัวผีก็จะคิดว่าเป็นผีขึ้นมาทันทีอันนี้เราสร้างไผ่ขึ้นมาเอง ด้วยความคิดของเราเองเราไม่สามารถควบคุมบังคับความคิดของเราได้แต่ถ้าเราไปอยู่แล้วเกิดความกลัวแล้วเราเชื่อว่าการบริกรรมพุทธโธหรือการสวดมนต์นี้จะดับความกลัวได้จะปกป้องภัยให้กับเราได้เราก็จะยึดกับการสวดพุทหรือการบริกรรมพุทธโธอย่างต่อเนื่องจะไม่ให้เฮิรนหางไปเลย พอพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องหรือสวดมนต์ได้อย่างต่อเนื่องความสงบก็จะเกิดขึ้นมาพอความสงบเกิดขึ้นมาความกลัวก็หายไปก็ะจะรู้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือใจนี้เองที่ไปคิดถึงเรื่องน่ากลัวต่างๆแล้วก็เชื่อว่าเป็นความจริงแต่พอ ทำใจให้สงบแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรมาทําให้ร่างกายไม่มีภัยอะไรต่างๆมากระทบกับร่างกายอันนี้แหละคือวิธีหนึ่งที่นักภาวนาทั้งหลายมักจะต้องไปหาที่เหล่านี้กันเพราะว่าถ้าอยู่ในที่สบายปลอดภยัยใจจะไม่ใจจะขี้เกียจใจจะไม่ขยันภาวนาจะไม่ขยันสวดมนต์จะไม่บริกรรมพุโทโธพุโทโธ แต่พอไปอยู่ในที่ที่มีภัยรอบตัวใจจะหวาดผวาจะทรมานใจถ้าไม่ถ้าไม่สวดมนต์ถ้าไม่บริกรรมพุโทโธถ้าไม่ภาวนาจะไม่หายถ้าไม่ถ้าไม่ทําก็จะทนอยู่ในที่เหล่านั้นไม่ได้ก็จะต้องกลับมาอยู่ในที่ปลอดภยัยพอกลับมาอยู่ในที่ปลอดภยัยการภาวนาก็ไม่คืบหน้าภาวนามากี่ปีก็อยู่ที่เดิม ไม่เคยพบกับความสมบงบสักครั้งหนึง่งดังนั้นถ้าอยากจะพบกับความสงบก็ต้องบังคับตัวเองให้ไปอยู่ในที่ที่มันน่ากลัวแล้วพออยู่ที่น่ากลัวแล้วก็ต้องไม่ถอยไม่ยอมกลับมาต้องบังคับตัวเองให้ภาวนาให้ได้พอบังคับตัวเองมีเหตุการณ์บังคับให้ภาวนาถ้ามันจนต่อมันไม่มีทางไปทางไปก็คือทางภาวนาเพียงทางเดียว ไม่ยอมถอยไม่ยอมย้ายที่ไม่ยอมกลับไปที่ปลอดภัยก็ต้องภาวนาถึงจะหายทุกข์หายกลัวได้พอภาวนาแล้วภาวนาอย่างจริงจังแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาใจก็จะสงบใจก็จะเจินก้าวหน้าทีนี้ก็จะเห็นคุณค่าของสถานที่ที่น่ากลัวต่างๆว่าไม่ได้เป็นภัยกับจิตใจเลย แต่กลับไปคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจอย่างมากแล้วก็จะทำให้การภาวนานีนก้าวหน้าไปได้ตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้ผู้ที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะขั้นไหนก็ตามจะต้องออกไปอยู่ในสารที่น่ากลัวทั้งนั้นคือในป่าในเขาในป่าช้าเป็นที่ที่เหมาะกับการเจริญธรรมอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เหมาะแล้วพระพุทธเจ้าไม่ก็ไม่ต้องเสด็จออกจากพระราชวังบําเพ็ญอยู่ในวังแสนจะสบายแต่ในวังนี้ไม่ได้เป็นที่ที่จะเอื้อต่อการบําเพ็ญนั่นเองเหมือนกับการปลูกข้าวบนภูเขาอย่างนี้ปลูกบนหินอย่างนี้จะไม่ได้ไม่ได้ต้นข้าวจะไม่ได้เมล็ดข้าวเพราะว่ามันไม่เอื้อต่อการปลูกข้าว การปลูกข้าวก็ต้องปลูกในที่ร่มที่มีดินมีน้ำพร้อมลูกแล้วข้าวก็จะออกดอกออกเบืองได้อย่างมากมายถ้าไปปลูกในที่ดอนไปในที่สูงที่แข็งที่มีหินอย่างนี้ก็จะปลูกข้าวไม่ได้ลไม่ได้ผลไม่ได้ผลน้อยกานได้การภาวนาก็เช่นเดียวกันถ้าภาวนาให้เจริญก้าวหน้าได้ก็จำเป็นจะต้องไปอยู่ที่ ที่เอือต่อการภาวนาก็คือต้องอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกิรนสนุปุตตพะไปอยู่ที่ ท, ที่มีภัยรอบด้านที่จะทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาที่จะบังคับให้ต้องเข้าหาการภาวนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่ดับความกลัวต่างๆดับภัยต่างๆ ความจริงภัยต่างๆนั้นเขาไม่เป็นภัยต่อร่างกายเราเช่นสิงสาราสัตว์ต่างๆนี้เขาไม่มีอะไรกับเราเขาอยู่ของเขาไปตามเรื่องของเขาเขาไม่ต้องการจะมากับมากินเราแต่อย่างใดแต่เราต้องไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเพราะว่าเรากลัวสถานที่อย่างนั้นเมื่อเรากลัวแล้วเราก็จะต้องภาวนา เพื่อจะกำจัดความกลัวให้หมดไปให้ได้การจะกำจัดความกลัวก็ต้องเกิดจากการภาวนาทําใจให้สงบนี้เองพอใจสงบแล้วความกลัวต่างๆก็จะหายไปจะหมดไปได้พล้วต่อไปก็จะไม่กลัวอะไรไม่กลัวความตายไม่กลัวความไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะรู้ว่า เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ใจที่ภาวนาเป็นใจที่ทำใจให้สงบเป็นนี้จะไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อย่างหนถ้าฝึกหัดดีแล้วทีนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้จะไปอยู่ในวังก็ได้ จะไปอยู่ในศูนย์การค้าก็ได้ไม่เป็นปัญหาแล้วใจได้มีเครื่องมือไว้รักษาไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วแต่ผู้ที่ได้ไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดแล้วก็จะไม่กลับไปหาสถานที่วุ่นวายแต่อย่างใดเพราะมันให้คุณค่าแก่จิตใจไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจิตใจจะไม่มี ความกลัวไม่มีความโลภความอยากในการที่จะต้องอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆมันก็ต้องรับรู้เรื่องที่วุ่นวายต่างๆโดยใช่เหตุชื่ออยู่ในที่ไม่มีเหตุการณ์ต่างๆจะดีกว่าผู้ที่เคยอยู่ในสถานที่สงบวิเวกแล้วก็จะไม่อยากจะกลับไปอยู่ในสถานที่ว่าวุ่นขุ่นัวเหมือนกับผู้ที่อยู่ ออกมาจากกองไฟแล้วจะไม่อยากจะกลับเข้าไปอยู่ในกองไฟเพราะกองไฟมันร้อนไม่มีใครอยากจะอยู่ในกองไฟออกมาหรือคนที่อยู่ในห้องปรับอากาศกับคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องปรับอากาศนี่ก็เช่นเดียวกันคนที่ได้เข้าไปในห้องปรับอากาศแล้วจะไม่อยากจะออกจากห้องปรับอากาศไปไม่อยากจะออกไปรับรู้กับความร้อนกับฝุ่นกับกับเสียงรายต่าง เช่นในเมืองสมัยนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในห้องปรับอากาศออกมาข้างนอกห้องนี้จะมีฝุ่นมีเสียงมีความร้อน <c oughs> แต่เวลาอยู่ในห้องปรับอากาศนี้เสียงก็เบาลงไปความร้อนก็หายไปมีแต่ความเย็นความวุ่นวายต่างๆก็หายไปดังนั้นสถานที่สงบสงัดวิเวกนี้ก็เป็นเหมือนห้องปรับอากาศของใจดีๆนี่เอง ส่วนสถานที่ที่มีแสงมีแสงสีเสียงมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นี้ก็เป็นเหมือนสถานที่นอกห้องปรับห้องปรับอากาศนี้เองผู้ที่ได้เข้าไปในห้องปรับอากาศแล้วก็จะไม่อยากออกมาสู่ภายนอกผู้ที่ไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็จะไม่อยากจะออกไปอยู่ในสถานที่ที่มีแสงสีเสียง มีรูปเสียงกลิ่นรสปธพะมีเรื่องราววุ่นวายต่างๆเพราะความสุขที่ได้รับมันไม่สู้สู้ความสุขที่ได้รับจากสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่ได้นั่นเองดังนั้นการเข้าหาสถานที่สงบสงัดวิเวกนี้จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างความสงบทางใจ แล้วถ้าได้ความสงบทางใจแล้วก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเรื่องราวจะดีหรือไม่ดีจะเจริญหรือจะเสื่อมจะไม่เป็นปัญหากับจิตใจที่ได้ตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปด้วยการสอนใจให้เห็นโทษของความอยาก ด้วยการสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ภายใต้อำนาจหยุดภายใต้คำสั่งของใจได้ได้มาแล้วก็จะต้องเสียไปไม่ช้าก็เร็วเวลาได้มาก็จะดีใจแต่เวลาเสียไปก็จะเศร้าโศกเสียใจก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจ พอหายจากความเสียใจไม่เข็ดก็ไปหาใหม่หาใหม่ก็ดีใจได้ใหม่ก็ดีใจแล้วเดี๋ยวก็เสียไปอีกเป็นอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วเพราะนี่คือใจของเราที่ไม่มีวันตายได้ร่างกายมาก็ดีใจกันพอเสียร่างกายไปก็ร้องห่มร้องไห้กันแล้วเดี๋ยวก็กลับมาหาร่างกายใหมก่กลับมาเกิดใหม่มาได้มาเสียอีก อย่างนี้ไปอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาะนแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ออกไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวททำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้หยุดความอยากให้ได้ไม่ให้ทำตามความอยากการไม่ทำตามความอยากอย่าไปคิดว่ามันทรมานใจไปตลอดมันทรมานใจ ต, ตอนที่สอนใจตอนที่จะหยุดมันท่านั้นเอง ถ้าสอนมันเราไม่เห็นโทษของความอยากปั๊มันก็จะหยุดอยากเองก็เหมือนกับตอนที่บ่งน้ำบ่งเซียนนี้เวลาเอาเข็มทิมก็ไปในเนื้อใหม่ๆมันก็เจ็บบ้างแต่พอเอาเซียนเอาน้นาออกจากเนื้อได้แนละ้วทีนี้ความเจ็บก็จะหายไปตอนที่สอนใจให้หยุดความอยากตอนที่ต่อสู้กับความอยากนั้นก็จะทุกข์หน่อยแต่พอใจเห็นโทษของความอยากแล้วก็จะ ปล่อยเลยจะสับัดไปเลยความอยากจะหายไปเลยพอหายแล้วใจก็จะโล่งจะเบาจะสุขจะสงบเลยเช่นเวลาไ ป, ปเผชิญกับความความตายอย่างนี้แล้วถ้าใจปร่งได้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครที่ไม่ตายร่างกายที่ตายนี้ก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะไปกลัวทำไมยอมให้มันตายไป พอคิดอย่างนี้ได้ยอมตายความอยากไม่ตายก็จะหายไปพอความอยากไม่ตายหายไปความสงบก็กลับมาทันทีใจที่เครียดที่วุ่นวายกลัวความตายก็จะสงบน่านกายก็ยังไม่ตายอยู่ดีเพราะความกลัวตายนี้ก็เกิดจากความหลงความคิดปรุงแต่งไปเองคิดว่ามีสิ่งที่จะมาทําอันตรายแก่ชีวิตตนแต่ความจริงมันไม่มี บางทีคิดไปเองพอปลงได้แล้วทีนี้ยอมตายเท่านั้นความอยากที่ความอยากไม่ตายก็จะหายไปพอไม่มีความอยากไม่ตายแล้วทีนี้ก็ไม่มีความทุกข์ใจแล้วก็อยู่ต่อไปได้จนถึงวันวันสุดท้ายของชีวิตจะอยู่อย่างไม่กลัวตายจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์กับความตายต่อไปแต่ถ้ายัางปลงไม่ได้ยังยอมยังหยุดความอยากไม่ตายไม่ได้ ก็จะอยู่กับความทุกข์อยู่กับความกลัวตายไปไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้ร่างกายนีิยตายไปแล้วความไม่อยากตายก็ยังไม่ตายไปกับความตายของร่างกายพอไปเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่มาก็จะเกิดความอยากไม่ตายเหมือนเดิมยั้นปองเสียหยุดหยุดความอยากไม่ตายนี้ให้ได้ความอยากไม่ตายนี่แหละเป็นอันตรายไม่ใช่ความตายที่เป็นอันตราย ความอยากไม่ตายนี้เป็นอันตรายต้องอยากไปอยากยอมให้มันตายถ้ามันถึงเวลามันจะตายให้มันตายไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถ้ายอมแล้วรับรองได้ว่าจะสงบใจจะสบายร่างกายจะตายหรือไม่ตายตอนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปนี่คือเรื่องของการมาถอนเซียนถอนหนามออกจากอกของเราออกจากหัวใจของเราก็คือ ตันหาความอยากเราต้องมาทำสัญญกรรมพาตัดหัวใจ่าเอาตันหาออกมาจากใจเอากามะตันหาออกจากใจคือความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะอยากกินอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูอยากฟังอยากหลับนอนกับคนนั่นคนนี้เรียกว่ากามะตันหา แล้วก็มาถอนวิภาวะฐานหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากร่ำอยากรวยอยากอยู่ไปนานๆเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นภาวะฐานหาอยากไปอยากมันมันจะเป็นก็เป็นมันไม่เป็นก็ไม่เป็นไม่ตายไม่เป็นก็ไม่เป็นก็ตายเป็นก็ตายเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์ ถ้าอยากแล้วก็ทุกอยากได้มาเท่าไหร่ก็ทุกอยู่เรื่อยได้มาก็ไม่พอได้ในสิบก็อยากจะได้ในร้อยได้ในร้อยก็อยากได้ในพันได้ในพันก็อยากจะได้ในหมื่นอยากจะได้ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์ก็จะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าไม่อยากได้แล้วความทุกข์หายไปหมดเลยเป็นอะไรก็ได้เป็นในสิบก็ได้เป็นในร้อยก็ได้เป็นในพันก็ได้เป็นในหมื่นก็ได้ เป็นนายแสนก็นได้เป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นอะไรก็ได้ไม่ไม่เดือดร้อนไม่กังวลเป็นก็เหมือนเดิมไม่เป็นก็เหมือนเดิมใจไม่ได้เป็นอะไรกับในในพันในหมื่นในแสนแต่อย่างใดใจไปหลงกับมันเองเท่านั้นมันมีที่ไหนในพันในสิบในในร้อยก็ iter, สมมุติกันขึ้นมานั่นเองเ็าสมมุติว่าคุณตอนนี้เป็นนสิบนะคุณตอนนี้เป็นนรอยนะก็ถานั้นเอง มันมีที่ไหนละมันก็เป็นคนเหมือนเดิมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมเฉันอย่าไปหลงกับความอยากมีอยากเป็นมีแล้วก็มีความอยากแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ความสุขไม่ได้ส่วนความอยากชนิดที่สามก็คือวิภวตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เช่นเดียวกันอยากไปอยากอยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหนีไม่ค้นความแก่ ทำสัญญามกี่ครั้งมันก็แก่ลงไปเรื่อยๆอยู่ดีแไปดึงหนังกี่ครั้งเดี๋ยวมันก็เหี่ยวอยู่ดีอย่าไปสู้กับความแก่อย่าไปสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปสู้กับความตายสู้มันไม่ได้มันต้องเหนือกว่าเสมอเพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายจึงอย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วจะอยู่อย่างมีความสุขถ้าไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายจะอยู่แต่จะอยู่อย่างมีความทุกข์ไปตลอดเวลานี่คือหนามที่เราต้องบ่งออกจากหัวใจของเราขั้นต้นก็ต้องทำใจให้สงบด้วยการไปอยู่ในสถานที่สงบสงดวิเวกควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทธโธด้วยการสวดมนต์จนครัาใจเข้าสู่ความสงบ ได้แล้วเวลาเข้าไปใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไปรีบพิจารณาพยายามให้มันแช่อยู่ในความสงบให้นานที่สุดแล้วก็พยายามกลับเข้าไปในความสงบบ่อยๆให้มันชานานก่อนให้เข้าสู่ความสงบได้ทุกครั้งทุกเวลาเวลาต้องการจะเข้าสู่ความสงบเมื่อไหร่ก็เข้าได้ถ้าได้อย่างนั้นแล้วเวลาออกจากความสงบมาทีนี้ก็เอามาสอนใจ เดือนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้การพิจารณาทางปัญญาต้องใช้ความคิดถ้าเราคิดมากๆถ้าเรายังไม่ชนานาญในการเข้าสมาธิเวลาจะหยุดคิดก็จะหยุดไม่ได้จะเข้าสมาธิไม่ได้ดังนั้นก่อนที่จะ ออกทางปัญญาต้องมั่นใจว่าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้สามารถหยุดความคิดเข้าสู่ความสงบได้ตามเวลาที่เราต้องการได้ก่อนเหมือนกับขับรถถ้าเรายังไม่ชำนาญอย่าเพิ่งออกไปถนนใหญ่หัดขับรถอยู่ในถนนที่ไม่มีรถมนาหัดขับให้ชำนาญก่อนสามารถควบคุมบังคับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เดินหน้าถอยหลังได้อย่างชำนาญ แล้วค่อยออกไปถนนใหญ่ไปเสือไปสู้กับนถลาที่มีอยู่ตามถนนใหญ่ฉันใดาการจะออกทางปัญญาก็เช่นเดียวกันถ้าจะออกพิจารณาให้เพื่อจะได้สอนใจให้ฉาบให้หยุดความอยากได้ก็ต้องมีความชำนาญในการควบคุมความคิดก่อนถ้าไม่เช่นนั้นะเดี๋ยวพิจารณาไปก็แทนที่จะเป็นปัญญาก็จะกลายเป็นกิเลสไปแทนที่จะพิจารณาก็หยุดความอยากกับ ิจารณาเพื่อทำตามความอยากไปโดยไม่รู้สึกตัวพอคิดไปแล้วก็อดห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ไม่ได้ก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วคิดนี้เพื่อไม่ให้ห่วงคิดให้เห็นว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ต้องไปห่วงเขาห่วงเขาอย่างไงเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีคนที่ยังไม่มีความสงบไม่มีกำลังที่จะควบคุมความคิดอยู่เดี๋ยวพอคิดถึงคนที่รักก็ใจอ่อนกลัว ห่วงเขาแล้วกังวลเขาวิตกกังวลอยากจะให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างปลอดภัยแทนจะไปคิดว่ายัางไงไงเขาก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีไม่ว่าจะห่วงหรือไม่ห่วงเมื่อถึงเวลาก็ต้องเกิดขึ้นนี่คือทำที่เราต้องฝึกทําให้ได้ก่อนก็คือควบคุมความคิดของเราให้ได้ก่อนก่อนที่จะปล่อยให้ออกไปคิดทางปัญญาเพราะถ้าออกไปคิดแล้วเดียวถ้าเกิด ถูกกิเลสมาฉก ช, ชิงเอาความคิดไปคิดแล้วก็จะหยุดมันไม่ได้แทนที่จะหยุดความอยากก็กลับไปสร้างความอยากขึ้นมานี่ก็เรื่องของการออกทางปัญญาถ้าอยากจะออกทางปัญญาเพื่อไม่ให้เกิดโทษและให้เกิดคุณก็ต้องให้ชํานาญในในการเข้าสู่ความสงบให้ได้ก่อนให้ชํานาญต่อการควบคุมความคิดให้ได้ก่อน ต้องการจะหยุดความคิดเมื่อไหร่ก็หยุดได้ทันทีพอรู้ว่าเริ่มคิดไปในทางความอยากก็ต้องหยุดมันได้ทันทีหนือยกับขับรถไปแล้วรู้ว่าเอ๊ะวิ่งผิดทางวะนี่นี่ย้อนสอนนี่ถนนนี้เขาวันเวก็ต้องหยุดได้กลับรถเลี้ยวกลับได้ทันทีไม่ใช่วิ่งต่อไปแล้วก็ไปชนกับรถลาที่เขาวิ่งสวนมาดังนั้นเวลาได้สมาธิใหม่ๆยังไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องปัญญา ยกเว้นว่ามันเป็นปัจจุบันทันด่วนเกิดเหตุการณ์เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาก็ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาเช่นออกจากสมาธิมาก็ได้ข่าวว่าสามีตายไปภรรยาตายไปอย่างนี้พอใจเริ่มทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาว่าอ้าวแล้วเขาไม่ตายหรือเขาไม่เกิดแก่เจ็บตายหรือเราไปบังคับเขาได้หรือเปล่าเราไปหยุดเขาได้หรือเปล่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ตายได้หรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ถ้าเกิดความทุกข์ใจแล้วก็ต้องก็ต้องพยายามหาวิธีประดิษฐ์ปัญญาขึ้นมาให้ได้เพื่อจะได้หยุดความอยากหยุดความทุกข์ที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆได้อันนี้หมายถึงในการในพิเศษเหตุการณ์ปัจจุบันทนด่วนเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดภัยขึ้นม า, ท, าทันทีก็ต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็กลับเข้าไปในสมาธิก่ กลับก็ไปตั้งอยู่ในความสงบก่อนถ้าออกมาแล้วทุกข์ก็อย่าเพิ่งไปบังเกิญกับมันกลับก็ไปสงบสติอารมณ์ทําใจให้สงบก่อนพอออกมาแล้วค่อยมาตั้งหลักใหม่พอออกมาปั๊ก็ต้องคอยสอนใจทันทีว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่คิดอย่างนี้แล้วก็จะยอมรับความจริงได้ว่าสามีภรรยาก็ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยง ถ้าอยากให้เขาอยู่อยากให้เขาเป็นของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะตอนนี้เขาไม่ได้เป็นของเราแล้วเขาไปแล้วนี่คือการออกทางปัญญาต้องออกทีหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วขณะที่เข้าไปในสมาธินี้อย่าเพิ่งไปพิจารณาทางปัญญาให้มันแช่อยู่ในความสงบให้นานที่สุดเหมือนกับการซักผ้าแช่ผ้าให้มันนาน ไอ้พวกสิ่งศกดิ์าศักดิปกต่างๆมันจะได้ออกมาจากเสื้อผ้าเวลาจิตสงบนานๆนี้กิเลสมันจะตกตะกอนมันจะอ่อนกำลังลงไปยิ่งสงบแน่นานเท่าไหร่กำลังของกิเลสตัณหาจะยิ่งอ่อนลงไปมากขึ้นไปเรื่อยๆพอออกมาแล้วมันจะไม่มีเรี่ยวมีแรงเราก็ใช้ปัญญาถอนมันได้หยุดมันได้อย่างง่ายดาย เวลาเข้าสมาธิแล้วพยายามแช่ให้มันอยู่นานๆอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงได้ยิ่งดีแล้วพยายามทํามันทั้งวันะเข้าสมาธิไปเรื่อยๆก่อนเอาให้มันแน่นเปื้อเลยก็เรียกวเอาสมาธิให้มันแข็งเหมือนหินเลยพอมันมีฐานมันแก่งมันแข็งแล้วทีนี้มันจะสู้กับความอยากได้อย่างสบายไม่โลเลย ถ้ายัางไม่แข็งนี่พอออกมาเจอสิ่งที่รักที่ชอบก็เดี๋ยวก็โลเละแล้วเสียดายแล้วมองไม่เห็นแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วนี่คือเรื่องของสมาธิไม่ต้องกลัวว่าจะติดสมาธิเบื้องต้นนี่มันต้องติดก่อนต้องให้ชำนาญก่อนถ้าชำนาญแล้วเทนิสไม่ออกทางปัญญาเนี่ยถึงจะเรียกว่าติดสมาธิไม่ยอมออกทางปัญญาเลยเวลาทุกข์ก็เข้าค่ะ หาสมาธิอย่างเดียวไอ้นี้เรียกว่าติดสมาธินแต่เวลาเราออมาแล้วทุกก็ต้องใช้ปัญญานอกจากว่าใช้ปัญญาแล้วสู้มันไม่ไหวก็ต้องกลับไปตั้งหลักใหม่ในสมาธิก่อนแล้วพอออกมาก็มาสู้กันใหม่ด้วยปัญญาต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้อยากไปอยากการปฏิบัติทั้งหมดนี้ให้ดูเป้าอยู่ที่ความอยากตัวเดียว ไม่ว่าเราจะนั่งแล้วเห็นอะไรรู้อะไรก็ตามไม่สำคัญสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี้มันมาหยุดความอยากได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญตรงนี้ถ้ารู้เราไม่ได้กมาหยุดความอยากแต่กลับมาเพิ่มความอยากก็อย่าไปรู้ให้มันเสียเวลาไปเปล่าๆ น, นักปฏิบตัติต้องอย่าลืมอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนี้โรดมากทุก็์กิ ค, ความวุ่นวายใจความไม่สบายใจสมุทัยก็คือความอยาก ที่ทําให้เกิดความวุ่นวายใจนี่เองถ้าอยากจะสงบอยากจะให้ใจสงบหายวุ่นวายใจก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นถึงจะหยุดความอยากได้เห็นยังอื่หยุดไม่ได้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเพชรเนนจินดาเห็นเงินเห็นทองเห็นเลขเห็นหวยนี่หยุดไม่ได้นอกจากหยุดไม่ได้แล้วกลับไปทําให้ความอยากมีเพิ่มมากขึ้นลองนั่งเห็นเลขดูสิดูสิว่าจะ จะไปซื้อหัวยหรือไม่ไปซื้อหวยยิ่งถ้รู้ว่ามันออกมาตามที่เห็นนี่วดต่อไปจะทนไหวไหมจะสู้กับมันไหวหรือเปล่าดังนั้นะเราอย่าหลงทางนะเราปฏิบัตินี่ไม่ต้องการความร่ำรวยเราต้องการหยุดความอยากเพราะความร่ำรวยนี่จะทําให้เราถูกติดอยู่กับการเวียนว่าตายเกิดต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดนะการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุดติไว้เพียงท่านี้แล้วก็จะอนุโมทนาให้พรเพื่อท่านที่อยากจะเดินทางกลับจะได้ไม่ต้องร อ, อยะถาวาริวาหาปุราเาริวเวเลนติสาคาร เอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคือเปเมวะสมิจจตสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนักละโสยถามณิโชติละโสยถาสัพพิติวิวัจจันตุสัพพวินัสสต มาเตาวตวันตราโยสุขีทีขายุโกาวะอาภิวาทานาสีนิสะนิจจังุทตาปจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาง จะถามปัญหาไหมมีปัญหาเป่ามีคราจะถามปัญหาก่อนนะครับปัญหาแนวทางปฏิบัติทรมีใครจะสอบเอ๊จะถามไหมครับใน่าเอาอ่ะมาคุณแมีเขาก็ภานาทุันนะแม่ชีถ้าทำอย่างี้บ้าบอกว่าเวลาที่ทำสมาธิแล้วก็พอสิ้นสุดแล้ว มันจิตเนี่ยมันสภาวะนี่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบนี้มันเฉยแล้วก็จะสวมนต์แล้วก็ใจชงมม่ทราะถ้ามันไม่คิดตรงแต่งก็ใช้ได้ก็ดีภาวนาเพื่อไม่ให้มันคิดตรุงแต่มันจะเนิ่งเฉยเฉยก็ดีก็ปล่อยมันเนิ่งไปฝึกให้มันเนิ่งไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ ความคิดเมื่อไหร่ก็หยุดดูซิว่าหยุดความคิดได้เป่าหยุดความอยากได้หรือเปล่าอถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้บัญญัติสอนต่อไปก็พอนะเพื่อให้มันหายไปทุกอย่างมันหายให้มันว่างแล้วจิตสงบแล้วทุกอย่างมันหายไปหมดเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวรู้เฉยๆไม่คิดตรุงแต่งไม่มีสัญญองสัญญาเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็น ไม่ได้เห็นว่าดีหรือเชื่อเห็นแล้วปรุงแต่งขึ้นมาอยากจะได้หรือไม่อยากจะได้มันไม่มีถ้าใจสงบมันเฉยเฉยอย่างนี้ว่ามันจะเฉยได้นานเท่าไหร่เวลามันไปเจอของที่มันยังปรุงแต่งอยู่มันยังรักอยู่มันชอบอยู่มันจะเฉยได้หรือเปล่าเวลาขโมยมาขโมยเงินมันยังเฉยได้หรือเปล่าดูตอนนั้นตอนอยู่คนเดียวมันยังไม่รู้ว่าเฉยจริงหรือเปล่า บางทีต้องไปเจอของจริงเจอคนมารมดาเจอคนก็มาตบหน้าอย่างนี้ดูสิว่าจะเฉยได้หรือเปล่าก็คือให้เขาทำแบบนี้ต่อไปเื่อยๆก็ช่าอก็ทำแล้วก็ต้องไปทดสอบว่าอามีกําลังมีปัญญาหรือไม่หยุดความอยากได้หรือไม่เช่นวันหนึ่งกินข้าวหนึ่เดียวได้หรือไม่แล้วนอกนั้นการเดินต่น้ําเปล่าไม่เดิม อ, อย่างอื่นได้หรือเปล่า เพรดื่มน้ําที่มีรูปมีสีมีกลิ่นมีรสนี่มันดื่มตามความอยากถ้าหยุดดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มน้ําเปล่าแบบครูบาจารย์เวลาท่านไปทุดงลงในป่านี่ท่านก็ไม่มีอะไรดื่มดื่มแต่น้ําเปล่าฉันก็ฉันมือเดียวอาหารก็ตามมีตามเกิดลองทํานี้ดูสิถ้าทํานอกเหนือไปนี้ก็แสดงว่ายังมีความอยากอยู่เพราะเราอยากจะดื่ม ดื่มน้ำชากาแฟอยากจะกินขนมนอกเวลาอันนี้ก็ต้องหยุดมันให้ได้เป้าหมายก็คือหยุดความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่หรือเปล่ายังอยากดูอยากฟังยังอยากดื่มอยากรับประทานนอกเวลาที่จะให้ดื่มให้รับประทานหรือเปล่า ถ้าจะให้ดื่มของที่มีสีมีกลิ่นมีรสก็ให้ดื่มครั้งวันละหนึ่งครั้งเช่นตอนบา่ายพระที่ปฏิบัตินี่ท่านเชา้าท่านจะฉันมื้อเดียวทานอาหารเชา้าแล้วบ่ายท่านก็จะดื่มน้นําปานะช่วงอื่นก็ดื่มน้ำเปล่าไปถ้าให้เก่งจริงก็ไม่ต้องดื่มน้นําปานะเลยก็ได้ดื่มน้นําเปล่าเป็นไปอย่างเดียวถ้าจะดื่มก็ร่างกายนี้เอาน้ำเปล่ า, า, าดีที่สุด ไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นน้ำปาเนะ้น้ำชากาแฟอะไรต่างๆหยุดความอยากเนี่ยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปดูหนังสือพิมพ์ไม่ต้องไปฟังวิทยุไม่ต้องไปดูทีวีดูละครดูอะไรต่างๆตัดมันให้ไปหมดถ้ายังมีความอยากอยู่ก็นั่งสมาธิไปก็ป่วยการต่อไป นั่งแล้วก็ไม่เอามาหยุดความอยากนั่งแล้วก็เวลาเกิดความอยากก็ปล่อยมันอยากไปอยากจะดื่มก็แฟก็ดืม่มอยากจะดืม่มน้ำอัดลมก็ดืม่มอย่างนี้ก็อยากไปนั่งไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนั่งแล้วไม่ได้เอามาหยุดความอยากเป้าหมายของเราก็คือตัดความอยากหยุดความอยากเพราะความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจ ถ้ามีเชถ้ามีความอยากก็จะมีความทุกข์ใจอ่คุณต่อครับต่อไปเป็นคำถามผ่านทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณเจษฎานะครับเวลาเราจะให้คนอื่นที่สนใจปฏิบัติใหม่ฟังทมเราควรให้บุคคลผู้นั้น ฟังแนวไหนก่อนดีครับเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของเขาให้มากขึ้นเหมือนกับคุณไปสั่งก็ได้คุณจะไปรู้ว่าเขาชอบฟังหรือไม่ชอบฟังอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้อคนฟังเองจะต้องเป็นคนเลือกเองตัดสินใจเองนอกจากว่าเขาไม่รู้จริงๆแล้วเขามาถามเราถ้าเขามาถามเราเราก็แนะนำเขาไปได้ การศึกษาธรรมะก็มีอยู่สองทางด้วยกันทางแรกก็คือศึกษาจากพระโอ์ของพระพุทธเจ้าคือคําสอนที่ได้เจ้าเล็กไว้พระสูตรสําคัญต่างๆเช่นธรรมะจากกัปปวัตตนสูตรอนัตตลักษณสูตรมหาสติปทานสติปฐานสูตรก็ได้หรือมหาสติปฐานสูตรก็ได้อันนี้อันเดียวกันมหาสติอาจจะละเอียด สติปัฏฐานอาจจะแบบแบบย่อแล้วก็มงคลเราสูตรเียนศึกษาอันนี้จากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ไม่จะได้มีมีมาตรฐานเวลาที่เราไปฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆเราจะได้รู้ว่าท่านสอนนอกรู้นอกทางหรือไม่ถ้าเราไม่ศึกษามาตรฐานก่อน ไม่รู้ว่ามาตรฐานของคำสอนเป็นอะไรแล้วไปฟังคำสอนของผู้อื่นถ้าไปเจอคำสอนที่ถูกต้องก็ปลอดภัยไปแต่ถ้าไปเจอความสอนที่ผิดก็จะหลงทางได้ดังนั้นขั้นต้นก็ต้องศึกษาอย่างน้อยก็ศึกษาพุทธสูตรสำคัญสำคัญสี่ห้าพุทธสูตรนี้ก่อนคือธรรมจักรกับประวัตนะนสุที่ทรงแสดงเรื่องพระอริยาสาัจสี่ ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตัดสั้นอะไรก็ตัดสั้นพระ อ, อริยาาสัจสี่นี่ในอริยาาสัจสี่ก็มีมรรคมรรคก็มีองค์8เช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรถึงสัมมาส ม, มาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบของมรรคที่จะเป็นทางที่จะนําไปสู่การดับความทุกข์หยุดความอยากต่างๆได้ต้องมีมรรคแ มัคแปดต่อมาก็ได้ถูกมาแจงหรือมาแยกมาจัดให้รวมเป็นสามคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็มาจากมัคแปดศีลก็มีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสมาธิก็มาสัมมาสติสัมมาวยาโมสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิติสัมมาสังกัโปะต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้ก่อน ว่าเป็นอะไรจะได้รู้ว่าปัญญาคืออะไรถ้าใครถามปัญญาก็ต้องบอกอ๋อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นที่ถูกต้องเห็นถูกต้องเห็นอย่างไรก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปโปความคิดที่ถูกต้องคิดไงก็คิดปล่อยวางสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองยาไปอยากับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อย่าไปอยากกับลูกเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากมีอยากเป็นเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรียกว่าปัญญาถ้าศึกษาจากข้อสูตรก่อนนะแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่หลงถางเวลาใครเขาสอนวิธีปฏิบัติอย่างไรเราจะได้ดูว่าเขาสอนครบหรือไม่ถูกหรือไม่คําถามข้อต่อไปจากคุณวินนะครับ จยากทราบการเข้าถึงโสดาปฏิผลของสองกลุ่มคือพวกที่ใช้ปัญญานำสมาธิกับพวกที่ใช้สมาธินำปัญญามีความเหมือนหรือแตกต่างกันในความเข้าถึงอย่างไรและจำเป็นหรือไม่ที่การบรรลุโสดาปฏิผลต้องเข้าถึงนิพพิทายานและเข้าถึงทั้ง16บยานเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้ง นอกเหนือจากการมีสีลห้าบคือผู้ที่จะบรรลุพระโสดาบันได้ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ใช้สมาธินำหรือใช้ปัญญานำก็ต้องละสังโยชน์สามข้อให้ได้ก็คื อ, อ, อสกายาทิฏฐิวิจิกิจชาและศีลภัตตปร r า m การที่จะละสังโยชน์ทั้งสามข้อนี้ได้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้น ต้องพิจารณาให้เห็นว่ า, าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือชีวิตเราตัวเราเนี้ยตัวเราตัวมนุษย์เราเนี้ยที่เราเป็นกันอยู่เนี้ยก็คือขันห้าร่างกายก็คือรูปประขันส่วนความ ร, รู้สึกนึกคิดก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องเห็นว่ามันทั้งห้าส่วนนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะธรรมมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับฝน เหมือนกับฝนฟ้าอากาศอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติเมฆมันไม่ได้มีตัวตนเมฆมันก็มาจากน้ำน้ำมันลอยขึ้นไปในอากาศแล้วเกาะตัวเป็นเมฆพอมันหนักเข้ามันก็ตกลงมาเป็นฝนมันก็กลับมาเป็นน้ําใหม่ร่างกายมันก็มาจากดินน้ําลมไฟแล้วเดี๋ยวมันตายไปมันก็กลับไปสู่ดินน้ําลมไฟมันไม่มีตัวตนและไม่ใช่ตัวเราของเราผู้ที่มาควบคุมมาครอบครอง ก็เป็นเพียงแต่เป็นผู้มารับรู้เท่านั้นมาอาศัยมันอยู่ชั่วข่าวเท่านั้นใจไม่ได้เป็นร่างกายคือให้ยยกแยกใจออกจากร่างกายยยกใจออกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดต่างๆความรู้สึกนึกคิดก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วก็ผาเกิดดับเกิดดับไปไม่มีตัวไม่มีตนใจเพียงแต่มาเป็นผู้ ใช้สิ่งเหล่านี้ทำตามความอยากของตนนั่นเองเพราะทำตามความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากให้มันอยู่ไปนานๆพอมันจะตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระโสดาบันก็จะเห็นว่าอยากไม่ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอปล่อยมันได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปก็จะบรรลุเป็นโสดาบันได ก็จะใจก็จะสงบอย่างที่เมื่อกี้สอนถ้าปงตายได้แล้วใจก็จะสงบหายกลัวอันนี้ก็บรรลุเป็นโสดาบันได้แล้ว่อยว่างร่างกายต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นว่าความเจ็บก็ไม่ใช่ตัวเราของเราไปบังคับมันก็ไม่ได้ให้มันหายก็ไม่ได้เวลามันไม่หายก็ไม่หายเวลามันหายก็ไปให้มันไม่หายก็ไม่ได้ต้องปล่อยมันไปเหมือนเราปล่อย ดินฟ้ากาศฝนมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปฝนไม่ตกก็ปล่อยมันไม่ตกไปเราจะได้ไม่ทุกข์พระสโสดาบันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายปล่อยวางความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเหมือนฝนฟ้ากาศถ้าเห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นธรรมเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้า ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็จะไม่ไปยึดติดกับพิธีกรรมเสด็จเคาะต่างๆเวลาเกิดชีวิตตกต่ำก็ไปทำบุญเสด็จเคาะไปทำพิธีกรรมต่างๆไปหาหมอดูหมอบอกว่าให้ไปเปลี่ยนชื่อก็ไปเปลี่ยนชื่อหมอบอกให้ไปเปลี่ยนทรงผมก็เปลี่ยนทรงผมหมอบอกว่าให้ย้ายบ้านก็ย้ายบ้าน อันนี้วิธีกรรมเหล่านี้ไม่สามารถที่จะไปกำจัดความเสื่อมได้ความเสื่อมมันเป็นเรื่องปกติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญย่อมมีเสื่อมเป็นธรรมดาถพระโสดาบันจะเห็นอริจังว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปทาบุญสะดเดาะเคราะห์หรือไปแก้มันแก้มันไม่ได้คนมันจะตายไปทาบุญล่อวัดก็มันก็หยุดความตายไม่ได้ คนมันจะตายถึงเวลามันก็ต้องตายกันที่ไปทําบุญแล้วมันไม่ตายก็เพราะมันบังเอิญอะเงี้ยยังไม่ถึงเวลาตายไปทําบุญเข้าโอ้ทําบุญแล้วคนไม่ตายเว้ยมันก็เลยแห่ทํากันใหญ่เวลาใครจะตายทีก็แห่ทําบุญกันทีหนึง่งเวลาไม่ตายก็ไม่ไม่สนใจเข้าวัดเข้าวา น, น, นี่แหละ่ะคือวิธีของการที่จะเป็นโสดามันต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วต้งต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้มันไม่ดับอยากให้มันไม่เสื่อมก็จะทุกข์พอทุกข์ก็ต้องไปทําพิธี อ, อไปทําพิธีต่างๆเพื่อจะให้มันไม่เสื่อมไม่ให้มันตาย พอมันไม่เสื่อมมันไม่ตายก็คิดว่าทำวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกพอข้างหน้าก็ทำอีกธีที่ทำอีกมันไม่ถูกมันมันตายจริงๆขึ้นมาตายก็ช่วยไม่ได้แต่มันจะไม่มีดวงตาเห็นทามันไม่เห็นความเสื่อมมันไม่ยอมรับความเสื่อมว่าไม่มีใครไปยับยั้งความเสื่อมได้สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือการเป่งวาจาของพระอ า, านางกลทัญญะ พระโสดาบันรูปแรกของพระพุทธศาสนาถ้าอยากจะเป็นโสดาบันก็ต้องพูดอย่างนี้ได้เต็มปากว่ามีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาโว้วแล้วที่เขาถามว่าจําเป็นหรือไม่ที่ต้องเข้าถึงนิพพิทายานและสิบหกยานนะครับเนี่นะก็เข้าอย่างที่เราบอกนี่ย <15 S 1> ให้ครลองว่าโว้ย <laughs> ไม่เป็นไรโว้ย <laughs> ค, คำถามข้อต่อไปจากคุณผืนฟ้านะครับข้อที่หนึ่งนะครับผมกำลังประสบทุกข์อย่างมากจากโกรกกระทำแปดต้องสูญเสียชื่อเสียงความไว้ใจจากเพื่อนๆและคนที่รักขอหลวงพ่อบอกทำที่จะทำให้คลายทุกข์จากวิบากตรงนี้<ม>และบอกอุบายอ่าอุบายจะทุกข์จากโกรกกระทนี้อุบายยกทุก จากโลกกระทำนี้ให้เป็นทุกข์ในอ ร, ริยสัจเนี่ยก็เพิ่งตอบไปเมื่อกี้เนี่ยคํำตอบที่ถามนี่แหละ <c oughs> คำตอบมากก่อนคำถาม <c oughs> ต้องบอกว่ามันต้องเสือ่อมเว้ย <c oughs> <c oughs> จะพยายามให้มันไม่เสื่อมมันก็ทุกข์กัสิต้องให้เป็นมองเป็นใจรักใช่ไหมต้องยอมให้มันเสื่อมมันต้องเสื่อมอคําคถามข้อที่สองนะครับเริ่มเห็นความไม่แน่นอนของสิ่งที่รักและชีวิต อยากฝึกพิจารณาความตายครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นพิจารณาอย่างไรขอให้หลวงพ่อแนะนำวิธีการพิจารณาความตายภาคปฏิบัติด้วยครับก็ไปงานศพเนี่ยแหละไปอยู่แถวเมนเนี่ยไปสมัครเป็นสับเปลือยอยู่สักพักก็ได้หรือไปทำงานร่วมกัตันยูก็ได้จะได้เห็นศพบ่อยๆเข้ามันจะได้โปร่งได้เขาเขาปลอมมาด้วยครับว่าผมถนัดพิจารณามากกว่าการทาสมาธิ ก็นั่นหละก็ไปทำงาน p r o t e c t i n ดูร่วมกับตันยูดูไปเป็นจับเปลเรลวดูหรือไปดูที่เขาผ่าศบตามโรงพยาบาลต่างๆให้อยู่ใกล้ของจริงดูมันบ่อยๆมันจะได้ปร่งได้จะได้อันนี้พิจารณาทางปฏิบัติเลยถ้านั่งคิดอย่างนี้มันยังเป็นจินตนาการอยู่มันต้องไปเห็นของจริงพอเห็นของจริงแล้วมันดีเลยมันจะตายไปเลย ค, คำถามข้อต่อไปจากคุณอนนนชัยนะครับจิตคิดอคุศสนทำอย่างไรแต่ไม่ค่อยมีเวลาภาวนามากอยากได้อุบายทำในการช่วยกาจัดจิตตัวที่คิดอคุศลนให้เบาบางหรือหมดไปได้ยิ่งดีครับเวลารถเว่งจะให้มันหยุดจะทำยังไงก็ต้องเหยียบเบรกใช่ไหมเวลาใจคิดก็ต้องหยุดความคิดเลยใช้พุโทโธหยุดไปเลยถ้าใช้พุโทโธมันก็ไม่คิดแล้วล่ะ เราไม่ใช้เบรกันเนี่ยปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยๆมันก็คิดอยู่เรื่อยๆรถเหมือนกันถ้าเราไม่แตะเบรกมันจะหยุดไหมมันก็วิ่งไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้ใจไม่คิดก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้นับหนึ่งสองสามไปก็ได้ท่องอาการสามสิบสองไปก็ได้ผมขนเล็ปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสุดแท้แต่มันมีอุบายตั้งสี่สิบชนิดด้วยการวิธีหยุดความคิดเนี่ยลองไปไปเปิดกรรมฐานสี่สิบดู กรรมาฐาน40ก็ไปค้นดูในอินเทอร์เนต็ตก็ได้นั่นแหละคือเบรกของใจเบรกความคิดต่างๆครับคำถามข้อต่อไปจากคุณพานุนะครับกระผมภาวนาโดยส่วนมากจะเริ่มจากอาณาปานาสติจนจิตสงบไม่วุ่นวายแล้วก็พิจารณาข้อธรรมต่างๆบ้างพิจารณาอารมณ์หยาบและละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นใขนขณะนั้นบ้างได้ผลมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังขาวล่าสุดพิจารณาอารม์รูปหรือกายนี้ปรากฏมีได้ก็อาศัยเวทนาหยาบประกอบเข้าด้วยกันจิตสังขารก็มีรูปและก็อาศัยเวทนาที่ละเอียดช่วยประกอบกันไว้พิจารณารูปหยาบรูปละเอียดเวทนาหยาบ ละเอียดมันเกี่ยวประกอบ ก, กันอยู่ทั้งนั้นเวทนาก็สำคัญมากเชื่อมกายไว้กับจิตกำลังมีได้แค่ดูไม่รู้จะไปอย่างไรต่อเมื่อสามปีก่อนเคยพิจารณาจับสังขารได้ทันตัดขาดไล่ไปจนหินสัญญาแว็บมาก่อนค่อยมีสังขารดับทันหมดจิตก็ปุงขันขยับ แค่ตาน้ำปุดๆมาแล้วก็สลายไปคราวนั้นจิตมันไล่ๆเป็นงานของเขาเองแต่ตอนนี้พิจารณาอย่างไรก็ติดขัดอยู่เพียงเท่านี้ขอโอกาสครูบาอาจารย์เมตตาด้วยครับเพราะว่ามันพิจารณาไม่เข้าเรื่องไเรื่องที่ต้องเข้าก็คือเรื่องของความอยากเท่านั้นแหละพิจารณาเพื่อให้หยุดความอยากอยากในรูปหยุดในเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ เวทนาจะสุขก็ปล่อยมันสุกไปจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปจะมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันท่านั้นเองรูปมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปหยุดความอยากถึงจะได้ผลถ้าไปรู้ว่ามันทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ตัวนั้นมาก่อนตัวนี้รู้ไปก็ป่วยการเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญ ประเด็นสําคัญเหมือนกับหมอเวลารักษาร่างกายคนไข้ไม่ไปดูว่าหัวใจเต้นก่อนลมหายใจเข้าหรือหายใจออกอปอดปอดอะไรปอดบวมขึ้นปอดพองขึ้นหรือปอดยุบลงไปไม่ต้องไปสนใจลนะ่ะสนใจว่ามันมันมันเป็นอะไรมันมีแผลหรือเปล่ามันมีเชื้อโรคหรือเปล่ามันพิจารณาตรงนั้นแล้วเข้าไปทําลายเชื้อโรคเชื้อโรคของ ของใจก็คือความอยากค้นหาความอยากอย่างเดียวว่ามีความอยากหรือเปล่ายังอยากมีกามพระอยากในกามหรือเปล่ายังอยากมีอยากเป็นหรือเปล่ายังอยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือเปล่าค้นหาสามตัวนี้เท่านั้นมีก็ค่ามันให้ได้ค่ามันด้วยใจรักเท่านั้นเองไม่ต้องไปสนใจว่าอ้นั้นจะเกี่ยวกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะเกี่ยวกับตัวนั้นมันเรื่องของมันมันจะเกี่ยวข้องมันก็เป็นธรรมดามันมันเป็นเรื่องของการทํางานของ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีการเกี่ยวข้องของมันไปแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่ใจเราไปอยากยุ่งกับมันหรือเปล่าอยากจะไปจัดการไปบงังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราให้รู้ตรงตัวนี้ถ้าอยากก็หยุดมันเสียเพราะความอยากทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจเช่นเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาอยากให้มันหาย ห, ายหรือเปล่าถ้าอยากหาย อยากให้มันหายก็มันก็จะทุกข์ใจขึ s. <S <c oughs> ้นมาทรมานใจขึ้นมาดนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะหายหรือเปล่าถ้าอยากจะหายใจมันก็ทุกข์แล้วแหละแต่ถ้าไม่อยากจะหายถ้าชอบก็สบายบเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความสุขคนเราถ้าชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีความสุขได้ที่มันทุกข์กระฟอไม่ชอบอยากจะให้มันหายถ้าอยากให้มันไม่หายมันก็สมใจใช่ไมสมใจอยากมันก็มีความสุขแล้ว เพะปัญหาทั้งจ ม, ม, มันไม่ได้อยู่ที่อะไรพิจารณาอะไรก็ไม่ได้พิจารณาเพื่อเพื่ออะไรหรอกเพื่อให้หยุดความอยากนี้ท่านั้นเองเพื่อให้ปล่อยวางทุกอย่างเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเขาจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่เขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บเขาจะตายก็ปล่อยเขาตา ย, าตายท่านั้นเองไอ้เรื่องรายละเอียดลึกๆอย่างนี้ไม่ต้องไปรู้มันใหม้มันเสียเวลากปล่า เหมือนกับคนขับรถต้องไปรู้หรือเปล่าว่าใบาพัดหมุนก่อนหรือว่าลูกสูบขึ้นลงก่อนไม่สนใจหรอกใช่ไหมขอให้พอสตาร์ทเครื่องปั๊บมันวิ่งได้ก็โอเคแล้วเวลาต้องการให้มันหยุดมันหยุดได้ก็พอแล้วถ้าวิ่งถ้ารถสตาร์ทแล้วไม่ออกรถเหยียบคันเร่งเนาะมันไม่วิ่งเนี่ยจะมีปัญหาแล้วองนี้ก็ต้องไปหาหาช่างให้ก็มาซ่อมให้แล้วแล้ววิ่งแล้วเวลาเบรกมันไม่ยอมหยุดเนี้ยก็ต้องเข้าอู่หาหาเหตุ แต่เรื่องภายในเครื่องยนต์มันจะทํางานอย่างไงไม่ต้องไปสนใจมันหรอกสายพานมันจะเกี่ยวกับพัดลมหรือเกี่ยวกับแอร์หรือเกี่ยวกับอะไรก็เรื่องของมันขอให้มันทําหน้าที่ของมันไปก็แล้วกันหน้าที่ของเราคือคนขับก็สามารถขั บ, บรถคันนี้ไปตามสถานที่ต่างๆที่เราต้องการจะไปได้ก็พอใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เนี่ยปัญหาของใจก็คือความอยากนี้พอมีความอยากแล้วมันก็วุ่นวายใจมันทุกทรมานใจ ก็ต้องแก้ตรงตัวนี้แก้ตรงที่ความอยากนี่พอหยุดความอยากได้ความวุ่นวายใจความไม่สบายใจต่างๆมันก็หมดไปครับหมดคําถามประวันนี้ยกไปพรุ่งนี้ครับอีกข้อมันยาวครับหลายข้อเอาเลยเอเลยเห <c oughs> นื่อยอะรอยู่รู้แล้วรู้ล่อไปเลย <c oughs> เดี๋ยวกุญก็รอฟังอยู่ได้ครับคำถามข้อต่อไปจะคุณประทุมนะครับ ข้อหนึ่งนะครับวันนี้ขอแชร์ออกวันี่เขาแชร์การภาวนาเขาพูารเขาเขาแชร์แต่เขาไม่ได้ถามนะครับไม่ต้ององ่ะถ้าแชร์กัก็ใครอยากจะดูก็เข้าไปดูไว้นะเป้าหมายของเราก็คือความอยากความอยากนี่ก็เป็นเหมือนเชื่อโลก เวลาหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บเาก็อยากจะหาต้นต่อของที่ทำให้ร่างกายไม่สบายส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อโรคหรือความเสือ่อมความเสื่อมก็เป็นเรื่องธรรมดาเสื่อมก็แก้มนไม่ได้ถ้าเป็นเชื้อโรค ก, ก็มียารักษาก็เอายามาฆ่าเชื้อโรคได้โรคภัยก็หายได้การปฏิบัตินี้ทั้งหมดก็เพื่อดับความทุกข์ความไม่สบายใจต่าง ที่เกิดจากความอยากนี้เท่านั้นเครื่องมือที่จะดับมนันได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาก็มีท่านี้แหละนั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปเห็นอะไรให้มันสงบให้มันสบายให้มันเป็นกลางไม่มีความอยากพอจากสมาธินี้ก็รักษาความสงบความสบายความเป็นกลางไม่มีความอยากนี้ให้คงไว้ต่อไปถ้ามีความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนให้มันหยุดความอยากให้ได้เท่านั้นเอง ไม่ต้องไปรู้ว่ากี่ายานกี่ขั้นกี่อะไรหรอกเราก็ไม่รู้เราไม่ปฏิบัติมาก่อนมันก็ไม่เคยไปไปเรียนไปรู้มันไม่รู้ว่าไม่ไม่สำคัญอะไร ร, รู้ไปก็เป็นแบบความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอดีรู้ล้ก็ามาดับความอยากไม่ได้ก็อย่าไปรู้มันดีกว่ารู้แล้วต้องดับความอยากได้ความอยากก็มีสามตัวนี้กามาตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาในท้ง ความอยากอย่างอื่นก็ไม่เป็นไม่เป็นตันหาอยากทำบุญก็ไม่เป็นตันหาอยากจะฟังเทศฟังธรรมก็ไม่เป็นตันหาอยากนั่งสมาธิก็ไม่เป็นตันหาแต่อยากมีอยากเป็นอยากน่ําอยากรวยเนี่ยเป็นตัหาอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังเนี่ยเป็นตันหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เป็นตันหายนั้นต้องแยกแยะว่าความอยากที่เป็นตันหาก็มีความอยากที่ไม่เป็นตัหาก็มี ความอยากที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคก็มีเล่นอยากมาวาดัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมความอยากเหล่านี้เป็นเป็นของดีไม่เป็นโทษกับจิตใจเป็นยารักษาโรคใจบางคนพอฟังว่าความอยากเป็นโทษเป็นปัญหาก็เลยไม่อยากไม่อยากทำบุญไม่อยากเข้าวัดไม่อยากอะไรเลย ยังอยากเที่ยวยังอยากกินยังอยากดื่มอยู่ยกิเลนมันเก่งไหมมันฉลาดไนะ น, นั้นขอให้เราคอยดูสามตัวนี้นะการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาในเวลาเราไม่สบายใจถามได้เลยเนี่ยถ้าแทงหวยก็ถูกแน่ๆเลยไม่ต้องสามตัวเนี้ไม่ตัวใดก็ต้องตัวหนึ่ง อ้วจริงๆลองลองวันไหนไม่สบายใจลองถามเดีเป็นพ่อะอะไรวะเป็นพ่อกรามหรึเปล่าเป็นพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รึเปล่าหรือเป็นพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ด้วยค่ า, า, ามันก็มีแค่นี้แหละมันก็วนอยู่สามตัวนี้แหละไม่ต้องไปคิดให้มันลึกให้มันกว้างให้มันไปเสียเวลาดูแค่นี้แหละถ้าเราไม่สบายใจเมื่อไหร่ถามเลยตอนนี้เราไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะอยากได้อะไรหรือเพราะอยากไม่ได้อะไร มันก็มีอีทานี้แหละไม่อยากได้ก็อยากไม่ได้มีสองอย่างอยากได้ของที่ชอบอยากไม่ได้ของที่ไม่ชอบตอนนี้เจอของที่ไม่ชอบก็เลยวุ่นวายใจอยากจะให้มันหายไปเช่นพอไม่สบายใจพอไม่สบายร่างกายไม่สบายใจก็ไม่สบายตามมาอยากให้ความไม่สบายของร่างกายหายไปพอยังไม่หายก็ไม่สบายใจ ขอให้เราพยายามดูสามตัวนี้แล้วก็พยายามสร้างทานศีลภาวนาเป็นเครื่องมือที่จะมาต่อสู้มากำจัดความอยากทำสามตัวนี้ทานศีลภาวนานี้เป็นเหมือนยาส่วนตันหานี้เป็นเหมือนเชื้อโรคถ้ากินยาไปแล้วรับรองได้เชื้อโรคต้องหายแน่แน่โรคภัยไข้เจ็บเคยความทุกข์ใจจะต้องหายแน่แน จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายไปจนไม่มีวันสิ้นสุขอะไรนะสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ใชครับขอถามแทนคนอื่นอีกครั้งข้อสุดท้ายครับด้วยวาการทานในหมวดทานเนี่ยครับพระอาจารย์ให้ทานเป็นปกติแต่ว่าถ้าหมวดทานเนี่ยกับพระที่เราไม่มั่นใจกับหรือแม้แต่สถานที่ อวัดเนี่ยพูดพูดเราวัดเลยเลยวัดแต่ว่ า, า แ, ตวแต่วัดเป็นวัดที่รวยแล้วเงี้ยครับเอาไปก็ไม่ต้เอาไปเอาเงินไปไว้ไหนแล้วอย่างนี้ต้องทาบุญต่อไปไหมครับคือผู้รับนี่ไม่สําคัญเท่ากับผู้ให้การ น, นี้ <S <S <ม>การให้นี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้รับโดยความจริงประเด็นสําคัญอยู่ที่ผู้ให้ไม่ต้องการให้หวงไม่ต้องการให้ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเก้าของ ไม่ต้องให้มีภาระมาคอยดูแลรักษาเพราะจะทำให้ไม่มีเวลาไปรักษาศีลไม่มีเวลาไปภาวนาอันนี้คือหลักของการให้ส่วนผู้รับนี่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมผู้ให้ต้องพิจารณาดูว่าผู้รับใครควรจะรับคนบางคนเห็นว่าโรงพยาบาลขาดแคลนก็ไปให้ทางโรงพยาบาลคนบางคนเห็นว่าโรงเรียนขาดแคลนก็ไปให้ทางโรงเรียนก็ดูตามความเหมาะสมความต้องการอันนี้ ผู้ให้ก็ต้องฉลาดต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูส่วนการที่จะไปให้กับพระนี่ก็มีมีมีสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งคือว่าอยากจะไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านที่เราไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องการเงินทองของเราหรอกแต่เพราะว่าเราได้ทําบุญแล้วเราไปหาพระพุทธเจ้าแล้วเราได้ฟังธรรมเราจะได้สิ่งที่มีคุณค่ากว่าเงินทองที่เรา เอาไปให้เอาไปถวายถึงแม้เราไปแล้วเราไม่ให้ก็ได้เราไปหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้อง เ, อเงินไปให้ท่านบาทเดียวท่านก็ท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็จะสอนธรรมะให้กับเราเหมือนกันแต่ทีนี้สมัยนี้คนไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าทำบุญต้องทำบุญกับพระดีๆต้องเอาเงินไปให้พระดีๆอย่าหลวงตาเนี่คนก็เอาเงินให้เป็นเป็นร้อยล้านพันล้าน แต่ท่านก็ดีสำชื่องท่านท่านก็ไม่ได้เอาเงินไปทำสิ่งที่เสียหายท่านก็ไปทำประโยชน์ต่อไปท่านก็ไม่ที่วัดพอแล้วท่านก็ไปทำที่มันไม่พอเอาไปทำตามหวงพยาบาลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่การไปทำบุญกับพระดีๆพระที่มีปัญญาเพื่อเราจะได้รับคำสอนดีๆกลับมาสั่งสอนเหล่านี้เองอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกกรณีหนึ่ง แต่ใ น, นกรณีทั่วไปถ้าไม่มีพระดีๆหลงเหลืออยู่แล้วไม่มีวัดดีๆหลงเหลืออยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำบุญไปทำไปตามที่เห็นว่าเหมาะสมที่ไหนขาดแคลนที่ไหนเป็นสถานที่ทำแล้วทำประโยชน์ให้แก่โลกเช่นโรงพยาบาลก็ทำให้มีการดูแลรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยสงเคราะห์โลกกั น, น, นก็ทาไปแต่ถ้าจะ ถ้าจะมีวัดดีมีสถานที่ดีที่เราควรจะส่งเสริมก็ควรจะไปเพราะวัดดีสถาวัดดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อโลกเพราะเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งของโลกได้นั่นเองถ้าวัดดีแล้วเราไม่ไปส่งเสริมคนจริงท่านก็ไม่เดิดร้อนอะไรแล้วเพราะพระ ด, ดีวัดดีนี้ท่านไม่ต้องการมีอะไรมากเพราพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีวัดท่านก็อยู่ได้ อาวุธตาต้ตอนที่ตัดจะรู้ก็อยู่ไม่มีวัดไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ตามคนไม้เนี่งั้น<ม>เรื่องทําบุญกับวัดนี่ความจริงแทบจะไม่จําเป็นจะต้องทํานอกจากปัจจัยสี่เท่านั้นเองที่จําเป็นเช่นอาหารบิณฑบาตจีวรยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเท่านี้ก็พอรับสําหรับวัดดังนั้นวัดที่มีแต่พุทธาพาณิชย์นะับ ผ่านฤทธิ์นำนี่ก็ให้ข้ามไปเลยนะครับอาจารยก็ไม่รู้แหละมันเช่นเรื่องคุณก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวหาว่าอิดชัอีกให้อาจารย์สอนนะครก็จะได้รู้กันคือบางวัดเขาก็อาจจะอ้างว่าเขาระดมเพื่อเอาไปทําประโยชน์ให้กับโลกก็ได้อันนี้ก็ถ้าก็มีเหตุมีผลก็บางทีสมัยนี้ทางโลกก็มาสายพารเป็นเครื่องมือหาเงินแทน เจนโรงพยาบาลอยากจะได้เครื่องไม้เครื่องมือก็บางทีก็ให้พระช่วยทำผ้าป่าให้จัดผ้าป่าทอดผ้าป่าเพื่อซื้ออุปกรณ์ออะไรนี้มันก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่ก็แล้วกันแต่ถ้าสร้างหรือแบบว่าอะไรสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งราคาล้านหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ต้นทุนของพระพุทธรูปจริงๆแค่หมื่นเดียวอย่างเงี้ย แล้วต้องเก้าแสนเก้าหมื่นนี่เอาไปทําอะไรมันก็ต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมบางทีเป็นอุบายหาวิธีหาเงินสร้างพระพุทธรูปองค์หนึง่งแล้วเงินมาเป็นพันล้านแต่ไม่รู้หายไปไหนหมดค่าก่อสร้างพระพุทธรูปแค่สองสามล้านนี่มันก็ต้องคิดดูก่อนคนเราว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่จําเป็นจะต้องระดมเงินถองมากมายขนาดนั้นหรือไม่ ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องให้ผู้ให้เป็นผู้พิจารณาเองด้วยว่าควรไหมที่จะให้ <hi> ใช่ถ้าถ้าโง่ ก, ก็ช่วยไม่ได้ <laughs> ส่วนใหญ่ก็โง่ทั้งนั้น <laughs> อชอบอิทธิฤทธิปฏิหารเพราะคิดว่าทำแล้วจะร่ำจะรวยขึ้นอีกก็เดิมเนี่ย <c oughs> อเอาความโลภมาล่อกันไง <c oughs> ทำบุญสร้างพระพระพุทธรูปหงค์นี้แล้วจะทำมาค้าขึ้น รวยจากพระพุทธรูปติดตั้งไว้ในเจดีย์แล้วจะร่ำจะรวยทั้งพบนี้ทั้งพบหน้าอย่างเงี้ยคนก็เลยอ๋ออยากจะทํามันใหญ่เห็นเห็นที่นิยมคับอาจารย์ถวายพางใตรปิฎกไม่เห็นพระอ่านแล้วองค์ น, <c oughs> <c oughs> นั่งอ่านถวายตู้ทั้งตู้ไม่เห็นมีใครมานั่งอ่านเลยค <c oughs> <c oughs> อย่างว่าก็เวลาให้อะไรก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหม เวลาเราให้ของใครเราก็ต้องคิดก่อนว่าของนี้เหมาะสมกับคนรับหรือเปล่าเนี่ยให้ของเด็กก็ต้องรู้ว่าควรจะให้อะไรให้ของผู้ใหญ่ก็ควรจะให้อะไรมันต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นแหละใช่เรื่องการให้ของให้ทานให้มันเหมาะสมกับอกับผู้รับเช่นใบปวาวณาที่ญาติโยมเขาเขียนพิมพ์ไว้เยาเขียนไว้ไงครับแบบขอถวายปัจจัยสี่อปัจจัยที่ อะไรนะเหมาะสมะกับสมณรบริโภคสิ่งที่เหมาะส ม, มะกับสมณรบริโภคก็คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มจีวร น, นั่นเองแต่สมัยนี้ท่านเอาไปใช้เป็นค่าเครื่องบินมั้งสั่งอาหารมากินเองมั้งแทนที่จะบินระบาดก็สั่งให้เด็กไปซื้ออาหารตามปากมากินอย่างเงี้ยก็เพราะปัจจัยเราถวายท่านไป สมัยก่เนพระพุทธเจ้าถึงไม่อยากจะให้พระรับเงินรับถอบงความจริงท่านก็ไม่ได้ให้รับโดยตรงท่านบอกว่าเอา้ามีคนขอร้องว่าบางทีมีพระบางลูกท่านมีกรณีพิเศษมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวจะต้องซื้อยามากินต้องไปหาหมอเป็นกรณีพิเศษไม่มีไม่มีชาวบ้านเขารู้เรื่องเขาก็จะไม่ได้มาดูแลท่านก็ขอถวายเงินนี้แต่พระเจ้าบอกว่าถ้าถวายแบบนี้ก็ต้องไปฝากไว้กับ คนที่ไว้ใจได้และเวลาต้องการเงินนี้ก็ให้ไปสั่งไปบอกคนนั้นว่าต้องการเอาเงินนี้ไปรักษาโรคภยัยไข้เจ็บไปซื้อยาที่จำเป็นที่ไม่ได้มีคนถวายมาอย่างเงี้ยท่านนี่ก็เจตนานี่คือข้อยกเว้นที่ท่านอนุญาตให้มีการถวายปัจจัยได้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ญาติโยมก็เลยเพื่อความสะดวกง่ายดายก็ถวายเป็นปัจจัยไปแล้วแต่ท่านจะไปทาอะไร แล้วก็ท่านที่มาทีหลังก็ไม่รู้เรื่องท่านก็คิดว่าเอาไปชื่ออะไรได้เอาไปใช้อะไรได้ทุกอย่างเพราะเป็นของท่านไปละสมัยนี้มีบางแห่งทําบุญผ่านบัคเคนิดได้แล้วครับเรียบร้อยแล้ ว, วก็ไปก็พยายามจะเดือดร้อเดียวเลยอันนี้ก็ไม่เสียหายหรอกเพราะมันถ้าทําเพื่อให้เกิดประโยชน์นี่มันก็ไม่เสียหายหอะไร บางคนก็มีเงินมากก็ทําบุญแล้วก็สบายใจก็ให้ก็ทําได้เช่นบริจาคเพื่อให้ไปสร้างโรงพยาบาลไปซื้ออุปกรณ์อย่างหลวงตาเมื่อก่อนโรงพยาบาลก็มาขอของจากท่านเนี่ยเพราะว่าไปขอที่ทางราชการเขาไม่มีให้ต้องการลถพยาบาลก็ไม่มีให้ต้องการเครื่องมือผ่าตัดก็ไม่มีให้ต้องรออีกห้าปีอย่างเงี้ยถึงจะมีวัประมาณมาพอเขาทราบว่าหลวงตานี่เป็นพระเวชสรรดอนเขาก็เลยมากราบท่าน พอญาติโยมเห็นว่าหลวงตามีคนมารบกวนมาขอญาติโยมก็มาร่วมทำบุญเพราะตัวหลวงตาน่านเองท่านมีเงินที่ไหนท่านไม่มีเงินมีทำท่านก็มีแค่อัตถบริขารเท่านั้นเงินทั้งหมดก็เป็นของญาติโยมเท่านั้นท่านก็เป็นเหมือนคนกลางให้มาคนนี้ให้มาแล้วก็ให้คนนั้นส่งให้คนนั้นต่อไปก็ทานั้นเ อ, เองแต่ว่าท่านมีปัญญาท่านจะวิเคราะห์ว่าคนที่มาขอนี่ คนจะได้มากคนจะได้น้อยหรือคนไม่ได้เลยบางคนมาขอเพราะความโลภท่านก็ไม่ให้เลยบางทีไม่มีความจําเป็นพอเห็นว่าคนอื่นก็ได้ก็อยากจะได้บ้างทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ไม่มีความจําเป็นท่านก็ไม่ให้ก็มีดังนั้นสรุปแล้วก็คือการให้นี่เป้าหมายแรกก็คือเพื่อให้เราตัดความตนหีตัดความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เพื่อตัดความโลภอยากได้เงินทองให้มีมากขึ้นเพื่อลดปริมาณเงินทองให้มันเหลือน้อยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับมันเพื่อเราจะได้ไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปบวชได้อันนี้คือเป้าหมายหลักของการให้ส่วนผู้รับนี่ก็ต้องพิจารณาดูความเหมาะสมว่าควรจะให้มากให้น้อยให้ที่ไหนดีให้ที่ไม่ไม่ให้ที่ไหนอย่างนี้ไม่ให้คนที่กินเหล้าเนี้ยให้คนที่กินเหล้ามันก็ไปซื้อเหล้ากิน ให้คนที่เล่นการพนันก็จะไปเล่นการพ น, นันต้องให้คนที่เก้าเงินนี้ไปทำประโยชน์จะได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนประโยชน์ของผู้ให้และประโยชน์ของผู้รับแต่ถ้าถ้าคนเ้าคิดว่ามีเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยถาวายวัดกับให้โรงพยาบาลเนี่ยบางคนเขาคิดว่าให้วัดเนี่ยได้บุญเยอะกว่าเท่ากันเท่ากัน คุณจะเยอะกว่าก็ตรงที่ว่าไปที่วันแล้วได้ฟังธรรมะในของแถมเหมือนคุณไปเติมน้ำามันเนี่ยปั๊มนี้ไม่มีของแถมปั๊มอีกปั๊มมีของแถมถ้าคุณอยากจะได้ของแถมก็ไปไปเติมไอ้ปั๊มที่มีของแถมก็ได้ของแถมมาก็ได้เท่านั้นเองแต่ของแถมนี่บางทีดีกว่าน้ำมันที่ไปเติมอีกเช่นเป็นรางวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นหวยแล้วซื้อมาแล้วถูกรางวันที่หนึ่ง วลาถ้าไปเติมปั้มไปทําบุญกับพระอรหันต์ทำบุญกับพระ พ, พุทธเจ้าพอฟังทำแน้องมีดวงตาเห็นธรรมมลนเป็นโสดาบันขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้ยมันยิ่งดีกว่าเงินที่เสียไปเป็นหมื่นเป็นแสนเนีอ่ามันดีตรงนี้แหละที่เข้าถึงนิยมไปทํากับพระดีๆวัดดีๆก็เพราะเพื่อเขาจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาอีกแต่ถึงจะไปทํากับองบาวาจารหรือพระดีๆเนี่ยจิตก็ต้องให้เป็นสงอยู่ ถ้าไม่ฟังธรรมไปทำแล้วก็กลับนี่กลับเฉยๆก็ไม่ได้อะไรไปทำที่โรงพยาบาลก็ได้เท่ากันเหมือนกันคือได้สละทรัพย์ไปหนึ่งหมื่นบาทแต่รีบร้อนต้องรีบกลับไปหาเงินต่อไม่มีเวลาฟังธรรมอาบคนมาวัดไม่ยอมฟังเทศฟังธรรมนะแต่วาสังฆทานเสร็จพกวดหน้าไม่พรอเสร็จก็กลับแนละ้ว ไม่อยากจะรบกวนหลงพ่อปล่อยให้หนูง <laughs> หนัวเราะกลัวหลวงพ่อพูดธรรมะแลเดี๋ยวเ <laughs> ด็กเกเรตาย <laughs> ยังเสียดายกเกเรอยู่ <laughs> อพอแล้ว น, นี่สี่งงนะ <laughs> ไว้วันพรุ่งนี้ก้นมาต่อ น, นะนีะ้มาใหม่แท้วัน ไม่เป็นไรทำไปเดียวก็ได้ okay.